บอกคนท่านมาวัตถุท่อนมาทำแล้วสำเขาไม่ไหนพระพุทธศาสนาชาวโลกกระพร้อมกันสักเพียงไหนก็ตามถ้าเป็นเกี่ยวธรรมะเขาไม่เอาแต่พวกเราเนี่ทีนี่บางกรณีพระบรมศาสล า, าให้เอาคนมากเป็นประมาณบางกรณีแต่คนมากเหล่านั้นเธอจะยนจบ พ, พระจารย์ใี่ดกก็ตามความประพฤตของเธอไม่ดีไม่ให้มาออกเสียง เดี๋ยวพวกเรามึงไม่มาให้ครูคูใายตังค์มึงใช่ไหมผู้มีตังค์ก็มีอำนาจอยู่จนวันตายใช่ไหมผู้ไม่มีตังค์ก็เงยคอไม่ไหวละโผคอไม่ขึ้นจะเป็นนักปาดสักเพียงไหนก็ไม่จะเป็นขุนเขาใช่ไหมผู้มีตังค์มันเอาไปกินมดใช่ไหมมันจริงวุ่นละมานกันอยู่ทุกหย่อนยาตเอ้าใช่ไหม จะเรียนวิชาเก่งสักเพีองไหนก็ตามถ้าทิ้งดินก็ไปไม่รอดทึ่งรียนรับน้าก็ไปไม่รอดทางก่อสร้างทึ่งเครื่องวัดเครื่องจวงก็ไปไม่รอดเหมือนกันพู้ตั้งกฎหมายกั้หมู่ตั้งพรรคตัพวกไม่มองดูคำสอนพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเหมือนกันชาวโลกอ่ะนั่นนั่นนั่นเพราะความเป็นธรรมเพราะกระเพยคนไม่ทำ บางประเทศเขาก็บอกว่าค่ามนุษย์ค่าสัตว์ไปสวรรค์นบางประเทศก็บอกว่าเมี่ยาปาณีทีจะเอาอะไรมาเป็นธรรมก็เอาคําสอนพุทศาสนาสิเป็นธรรมนี่นี่น้องของเมืองบางต่างไหลลงสู่มหาสเุทรโดยไม่รู้ตัวฉันใดคำสอนในไรก็ไหลลงสู่คำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็เชิงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้วไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้วไม่เชื่อมีเทียบในทางลึก เชื idée, ่อในทางสูงเขงเชื่อมทิศจะมีกี่ลักษณะตัวไปในทางทิศเหนือโดยในรูปตัวฉั้นใดคำช้อนใดๆก็เป็นแรงพึ้นขอมส่วนพุทธเจ้านะโดยในรูปตัวฉันนั้นไม่พูดอีกกพราจริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพระบรมศาสนาถ้าทําไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ถ้าไม่อยู่ก่อนเราจึสามารถรู้ทำได้จึงรู้จักจาแนกทำ หรือจำเนกทำจำแนกทำถ้าทำมันม no. ีอยู really. <cus> ่ก่อนแล้วเขาจำแนกมาละเง็ดนั้นเราจึงเคารพธรรมถ้าทำมันมีอยู่ก่อนแล้วเขไม่เคารพธรรมทำมีอยู่ก่อนไม่ใช่ว่าเรามาแต่งทรรเรามารู้ธรรมเฉยๆรู้แล้วอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นนั้นเรามาอธิบายให้ฟังเฉยๆอธแท้ธรรเปิดอยู่ก่อนแล้วเง็ดฉะนั้นเราจึงเคารพธรรมผู้เขียนหนังสือไม่เคารพบรรทัดมันก็ไปไม่ถูกใช่ไหมนั่น คำสอนของพุทธศาสนาเป็นธรรมะพิปไตใครเอาไปใช้ความมั่นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็มาสอนเป็นอันเดียวกันเออพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นไม่มีวิหารเหมือนเราต้องตั้งใหม่เลิกใหม่ไม่ไม่ไมไมไมว่าอันเดียวกันหมดเพราะมันดีพอแล้วจึงเป็นหัวใจของชาวโลก กรรมในผลของกรรมมันไม่จบเกษียณพระพุทธศาสนาออกมาแล้วกรรมในผลของกรรมดึงมาแล้วพระพุทธศาสนาทําดีก็ได้ดีอยู่ที่ใจครับช่วยก็ได้ช่วยอยู่ที่ใจใจก็ปเป็นเศษท้าใครก็ไม่น่าเพราะพวกมันเจ้าใจเป็นผู้สร้างขึ้นแต่ละท่านแต่ละคนพระพุทธศาสน า, าสอนใจเราเป็นเพียงชีพบอเท่ า, านั้นหนิน้าก็ต้องดื่มเองหนิอาหารก็ต้องทานเอง เราทำแทนพวกคุณพวกเธอพวกท่านไม่ได้เป็นเพียงที่บอกเท่านะั้นขั้นในกรดีพวกคุณพวกเธอพวกท่านนั่นเองมีอิสระทำอยูอยู่ที่ใจผลของดีก็พอไปอยู่ที่ใจไม่ได้ต้อนอข้าวข้าวข้อยากมันโทลแล้วก็อยพวกคุณทำชั่วเพรองพวกชั่วเขาไปอยู่ที่ใจไม่ได้ต้อนข้าข้าวข้อยากมันโทลแล้วก็อยู ทำดีก็ไปฉลองใจทำชั่วก็ไปฉลองใจใจของพวกคุณพวคือพอดีเราพอดีมีคุณเป็นมหันต์แต่ก็ไม่โทษเป็นอะไรแค่ไปในทางถูกก็มีคุณเป็ น, น, น, น, ป น, น, ปนมหันต์ไม่มีผุมวันแค่ไปในทางผิดก็ไม่โทษเป็นมหันไม่มีขุมวัจะไปฆ่าตนตายก็คือใจนั่นเองไปผูกพอตายก็คือใจคนตายผูกพอตนเองไม่ได้เพราะวิญญาณไม่อยู่ในทีครับ เรามีสตุปัญญาเหนือกิบเนื้อใจกะบรดมาสราแล้วไม่เป็นทาสของใจใจที่นึกไปในทางไม่มีประโยชน์เราก็ไม่นึกสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่นึกไปไม่นึกไปใจสำหรับนึกคิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่นึกคิดปากสำหรับกิน สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่กินหลังสำหรับนอนนอนขวักนนอนน้ำเราก็ไม่นอนตาสำหรับดูสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ดูหูสําหรับฟังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ฟังใจสําหรับนึกคิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่นึกคิดสิ่งที่เควรนึกคิดคืออะไรบ้างตามไม่ตกความตริตในทางตามจนเกินไปความตริกในทางตามจนเกินไปพยาบาทไม่ตกความตริตในทางพยาบาท นี่เห็นสาวิตรกวนตริกในทางอื่นอย่างเราทําให้พ่นาศแล้วเราไม่ทําให้เกิดอีกคือเรรมื่อเราลูใหม่ลูเท่ารูทันรูมันลูตัวมันไม่มีประโยชน์นมกแต่เกิดรอดมาให้ไม่ใช่ไดจ้จากโรคระบาดศินท่าไม่ใช่ไดจ้าออจากโรคอวัยมุกมันก็ไม่หนักใจเหมือนวันนราราชิง ไม่ใช่ได้จาเอาคืนมามันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักลุ้มสารเพลิงไม่ใช่ได้่ากวงประลุมันหนักใจไว้มันก็ไม่หนักใจเพราะเหตุใดจึงไม่ใช่ได้จาลงไปรลุล้มสเลิงเพราะเราเห็นว่ามันเป็นโทษโดยส่วนเดียวไม่มีประโยชน์ฉันในก็ดีเห็นอบายมนุษก์ทุกประเภทเป็นโทษึโดยส่วนเดียวไม่มีสาอุปทานมันจึงจะเอื้อนได้ถ้ามาอย่างนั้นมันก็มิเป็นมิตราจิติเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรว่าเป็นนอกบัวเห็นเจ้าหมูเข้าไปผูกเอาเล็งว่าจิกจิไม่รู้บอกที่นี่เหนือเนี่ยเขามาให้พูดม่านั่นนั่นนั่นนั่นนัมนลุงปูลุงปูเห็นหรือเห็นร้านเรายีมบลุงปู ดีใจหรอดีใจยุ่มากเลนั้นน่่นจากมอยังยานไ่พออยู่ผนะู้ออดใดเรียนเรียบรู้ล่ะรู้บัทหาตายได้วิเงินสื่อกระไฟไม่มีเงินสื่อกรไฟฝาละแ <c oughs> ม่นว่านไ่นี่ประเทใหญกี่เรากระน้อยเศเศษ่เหลือมันไฟใหมเงินไหมซ่นาน ไฟไหม้บ้านไม้เมืองที่ดินมันยังไฟไหม่อบายยมุกที่ดินไม่เหลือเ้อมันอพยพจนหมดถูกหม่ให้พรครับเ<อ><อ>มื่อไรจะเขาไปพักกันต้องหัวเนี่ยขนาดเจ้ด้วยยังองเยงยหน่นะตอต้องหัวนะสมหัวล่ะร่วงถึงใจเออเออ จะไปลบไ ม, ม่เจูนยิ่ม้มีเ่าจะบอกองสัตไมบอองสัตว์มาเปล่าเลยมันไม่เนอตัวดีดีเนี่ยขนาดันดีดีมันมันไม่เนี้ยอ่ะของสัตว์มันก็ตื่นจะพะโมโง่ขาลากับตายยอดค้อนเขาด้วโงกหอเินเดืออากาศเลยจะมพมโ่ขาลาปฏิตายตายยอดค้อนเขาเฮ้แต่ที่เอาจะสุเป้าหัวล่ะเฮ้่ะ ปองหัวเป็นศิษยาสัตว์เอาจิตใจถึงพุทธธรรมะสงค์งเราไปเอาคิตใจถึงพุทธธรรมะสงค์เราไปถ้าจิตใจถึงพุธธรรมะสงค์เราไม่เป่าหัวก็ได้คือหัวใจมันถึงอันหัวภายนอกมันจะรู้จักยโนโยนี่อะไรแต่หัวใจเป็นผู้รู้จักจะให้พรใช่ไนั่นเดี๋ยวา้าพุทธศา ส, ะสะนา อันทรงพระคุณข้ามันมีประมาแล้วก็ทรงมาอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้ลู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชือ่อแล้วก็หน้าโลกอยู่ทุกทุกสมัยด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเราทั้งหลายทุกคนหน้าทุกตั้งใจโรลภะที่มาในที่นี้พอดีที่มาในมาในที่นี้พอดีย่มประสบแต่ความสุขความเจริญในโบโุญและพระศาสนาของพระสมานรพระพุทธเจ้ายิง่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนทุกคนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อถือไว้ ยังใครเทุกข์แต่โตเขาเปทุกข์เขาก็ขวเาอยู่กาหเขาเป็นทุกข์หมดจ้ยใเ็ทุกข์แต่เา่อยาใผู้อื่นปทุกข์เขาเป็นทุกข์เขาก็อขวเาอยู่กาน่งเห็เป็นทุกข์กนเหมนี่ทุกข์เอา้างเสียอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ ทำดีก็ท <pouch> ำ <box box bowl> ให้ใจทำเจ้าก็ทำให้ใจกินอะไากินแหงช่างม an ันอึดน้าสาดตะกรนวันละทานน ok ah ้าสาดตะกอนวันละท่านน้ากินเท่านั้นก <Muss> <love> <ún> ินได้หน้ามันจะอึดน้าม่นจะท่าหน้าจะขาดกร มือโตมาจากไหไนก่อนม า, าจากกรุงเทพกรุงเทพทั้งหมดนี่นี่เยอะจันั่งสืออันมือโตได้ฉันไม่เห็นว่าเขาให้อังกฤเก่ามันจะเลื่อนฉันเว่าสนเขา อันนี้นึงถ้าดูภาพมันก็จะเห็น หัวใจเป็นชาเป็นธาตุพระองค์เก่าอยู่เสมเมื่อขีดแต่หัวใจคนหน่อยเรื่องมุนไพรนี่ผเล่นเพื่อนเราเสียงยังจิตว่าจะรักษาอันาตุข้างนอกง่ายธาข้างนอกเอาไปแก้ข้อไหนให้แก้รื้ไม่ต้องของหนามุ่นพระไว้ได้สิไห้หัวใจสิฮะโออ๋อเอารูกน้อยมาให้สักใช่เขาพุ่งตัวเาไม่ขอเ ผู้ใดผู้อะไรงาปลาเด็ดใม่ยัไม่รู้ว่าผู้ใดผู้อะไราลาเดม่ยไม่รู้ว่าลาเ้ยราเนผู้สร้าอยู่ เราก็เอากิเวทมาวาดภาพอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ไอ้ที่แท้มันไม่ถูกทั้งนั้นพระนิพพานไม่ใช่กองนามลูกพระนิพพานไม่ใช่ผู้รู้เหนือผู้รู้ไปจนไม่มีที่หมายถ้าหมายอยู่ก็พอมันเหมือนก็พอมุนหมุนก็พอมันหมันเป็นหมันอีกซะด้วย พะนิานอยู่ที่ใดที่ใดไม่มีโอบโกรธหลงที่นั้นก็คือพระนิพานก็ไม่ถูกเหมือนกันดินน้ำไฟลมมันไม่ขวดไม่หล่อใครมันเป็นพระนิพานไหมมันก็ไม่ใช่พระนิพพานนี่พวกนั้นม า, ม า, ม, ามาจากไหนเขาบอกเร่องนี้เฉยใช่ไหม หรือออกคอยจากเรานี้ยม่มาหม่มาใหม่รือาก็แต่อาศัยความดีไปสู่พณิพานอาศัยจิตใจที่ทําดีอาศัยปกกัจจุบันน่ะจิตปัจจุบันน่ะทเป็นทางเดินพอถึงะณิพานแล้วไม่ติดข้องอยู่ในปัจจุบันไม่ติดข้องอยู่ในอดีตอนาคตด้วย ในอาศัยปัจจุบันนิตปัจจุบันธรรมไปสู่พระนิพพานอาศัยเป็นไตรชกขาคือตัวศีลสมาธิปัญญารวมพลกันในปัจจุบันด้วยอดีตเมื่อทําดีก็ดีมาแล้วเมื่อทําชั่วก็ชั่วมาแล้ว อ, อานาคตเมื่อทําดีก็ยังไม่ได้ทำเมื่อทําชั่วก็ยังไม่ได้ทำจึงเอาปัจจุบันเป็นพยานเองยังเอาปัจจุบันเป็นตัวศีลสมาธิปัญญา เพื่อสร้างความดีขึ้นถ้าไปมัวเสียเียววัดเอื้องในอดีตอนาคตอยู่ปัจจุบันก็พ้อยเสียไปด้วยนี่ฉะนั้นจริงๆัปัจจุบันนั้นโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นแม่ง่อนแท่งกรรแกรนเลยสี่ห้าจะมีก็มีปัจจุบัน ถ้าไม่ร่วงแล้วเมื่อก็เป็นศีลตัวดีโกรมคืนกันในปัจจุบันในปัจจุบันในจุดปัจจุบันในธรรมศีลแปดกรมงานกันศีลส 2, องก็ยศเจ็ดก่อเหมือนกันศีลสิบก่อเหมือนกันศีลก็คือตัดศีลดวงในปัจจุบันสมาธิก็ต้องมั่นในปัจจุบันปัญญาก็รอบรู้ในปัจจุบันเท่านั้นได้ เ, เ, เดินไปก็ระหว่างเก้าในปัจจุบันนั่นเองเก้าอดีตก็เก้ามาแล้ว อนาคตก็ยังไม่ก้าวถึงต้องระวังก้าวปัจจุบันจึงไม่ชนสะดุดน่ะจิตก็เหมือนกันรักษาจิตในปัจจุบันนั่นเองจิตอดีตก็ต้องไปแล้วจิตอนาคตก็ยังไม่มาถึงพวกเราทําให้รักษามันก็ผิดจริงจริงท่านผู้คนตัวนี้ท่านก็ไม่รักษาเพราะท่านไม่มีโทษแต่พวกเราไม่รักษามันก็มีโทษจริงจริง ที่นีามมฤตยูตกพญาบาปมีตยูตกในหิงสาวมฤตยูกในอดีตก็ล่วงไปแล้วในอนาคตก็ยังไม่มาถึงแต่ก็ระวังในปัจจุบันนั่นเองอดีตดีก็ดีไปแล้วชั่วก็ชั่วไปแล้วอนาคตดีก็ยังมาทันดีชั่วก็ยังทันชัว่วก็คืปัจจุบันนั่นเองคําสอนใดๆในใจโลกธาตุมันไม่เหมือนคำสอนในพุทธศาสนาเลย อันดีตลมหายใจเข้าก็ร่วงไปแล้วลมหายใจออกก็ร่วงไปแล้วลมหายใจเข้ายังไม่มาถึงอนาคตลมหายใจออกก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็ำลังทำไมหายใจเข้าใจออกเพื่ออยู่รอดแหกชีวิตไปเป็นวิญญาณีทำไมจึงทาอาหารเพื่ออยู่รอด ชีวิตไปเป็นชั่วโมงทำไมจึงนอนเพื่ออยู่รอดชีวิตไปเป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเลื้อนอกนั้นเป็นอดีตอนาคตทำไมจึงหายใจเข้าออกเพื่ออยู่รอดไปเป็นวินาที เนือต่ากันก็เป็นอัอนดีอนาคตอีกแบบสมประสง่้ามันสมปะสงว่าชื่อระจร้อ น, นกันมันก็เดินตับตั๊บก็เพื่ออยู่รอดแต่เป็นเนืนาทีมันกันแล้วพเรามาศาทตร์ไทยอันนั้นชื่อนาคอนทรายวันละสี่ครั้ง อวันละร่าสงสร้างพระยาข้าเธอเยังสงบอยู่ะอาจารย์ที่จะงาน่อาวกระรองให้เจ้าออกที่จะไม่นอนใจในวัดตรราลสาจะได้รีบเร่งแก้กความหลงของตนจะได้ข้ามทะเลหลงของตนไปเสียเธอทั้งหลายยังไม่ข้ามทะเลหลงของตนไปเธอทั้งหลายอย่าสมกันตนไมาเคยผู้ฉลาดเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลงัง ทำอันนี้เป็นทําให้คเ น, น, หนเนิ่นชาจงทําให้แจ้งซักอริยสัจจานะครับส น, นังถ้าเห็นแจ้งในอนริยสัจจะซักนี่โลดความดับให้แก้ดับตัญหาอันเป็นธรรมัญญาอิบเธ อ, อทั้งหลายจงทําให้แจ้งซักความเยวทายานในโลกทั้งปวงมันมีกับท่านเท่าไร ท่านชั่ น, นั้นข้ามเธอหลวงไปแล้วรักทั้งพวง ก, กับฉันถามทั้งพวง ก, กับทุกทั้งพวง ก, กับอันนี้จังทั้งพวง ก, กับใจรักทั้งพวง ก, ก็มีความหมายอันเดียวกันอันนี้จังทุกขั้งอนณตจาเธอจะเอาไปพระนราลด้วยหรือไม่ได้เอาไป ที่จะนาเพื่อแก้กความหลงของเจ้าตัวสั่งหาเพราะเจ้าตัวหลงมาเป็นของเที่ยงหลงมาเป็นของสุขหลงมาเป็นของตัวตนหลงมาเป็นของสวย ข, ของงามอีกด้วยจะแก้กความหลงอันนั้นจะเหมือนมืดเมื่อเลือมตาเขา้ามืดก็หายไปเมื่อเลือมตาออกมืดก็หายไป ไม่ได้สั่งาราเลยท่านเป็นผู้ลืมจามาแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้มืดจะหายไปละมันก็ไม่ว่าชั้นใดก็มีปรดีเมื่อรู้เท่าความหลงและความหลงก็หายไปความหลงก็ไม่ได้สั่งราปัญญาเหมือนกันท่านเปนผู้ ม, มีปัญญาฉลาดมาทันข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะหายห่อไปละง่อก็ไม่ได้สั่งเหมือนกัน รถของความมืดกับรสของความสวา่างมืดจำหยาบสวา่างจำหยาบเนี่ยอยู่ใกลกันราวฝ้ากับแผ่นดินมีรสชาติต่างกันราวฟ้ากับแผ่นดิ น, ก น, ก น, ดนไกลกว่านั้นอีกหพูดแต่และคำละคำละคำก็ลวกไปลวกไปลวงไ ป, งไ ป, งไปนี่คืออะไร คืออันิีจังอนละเอียดนะนึกขึ้นมาแล้วก็ล่วงไปนี้อะไรก็คืออนิีจังอันละเอียดยิ่ ง, ไ ป, ไ, ออนนงไปกว่านี้เกิดดับเร็วไหมก็เกิดดับเร็วนึกคิดอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็เกิดดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนความนึกคิดความตรึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกก็เป็นเครื่องสัญจรของสังขารแลี่ยควาทุกข์เหมือนกัน สิไหนเกิดที่ไหนสิ่งนั้นก็ดับที่ผมนึกขึ้นที่นี่ก็เกิดดับในที่นี่โทษแล้วเสียงส่งเข้าหูลงถึงใจก็เกิดดับเร็วนักพูดอีกก็เกิดดับอีกหาระไรวางไม่ได้พูดติดติดกันก็เกิดดับติดติดกันนึกติดติดกันก็เกิดดับติดติกันจนเป็นพืชเหมือนรอดไป นอติสตายเข้าป๊อปเข้าอย่างนี้ความเกิดดับเร็วนักจนเป็นพืชติดกันก็คืออันนี้จังหาระหว่างไม่ได้เกิดดับก็หาระหว่างไม่ได้พระนิพพานไม่เกิดม่ดับก็หาระหว่างไม่ได้เธอจงรู้ตามเปนจริงปฏิบัติตามเปนจริงซักพระบรมศับิลาสอนเนื่อหยาไปสําคัญตัวอยู่ในสังขารหยาไปสําคัญตัวอยู่ในพัะนิาน ไม่สำคัญตัวในที่ใดใดด้วยจึงจะถึงธรรมะสันสูร์รู้เป็นได้สักว่ารู้ซะเห็นเป็นได้สักว่าเห็นซะอย่าสําคัญว่าตอนเป็นผู้รู้ผู้เห็นอย่าสําคัญตอาตนมาเป็นผู้ไม่รู้มาเห็นอีกไม่สำคัอย่าสําคัญตัวในที่ใดใดทั้งสิ้น างั้นวันนีเสียข้าวมาแล้วหวังคนทุกข์ในปัจจุบันชาติพวกพอเป็นนิสัยในหลายชาติก่อนเกินไปอีกอย่างหนึ่งต้องยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำคือความดีต้องยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งที่ควรทำมีธานวัตรศีลวัตรภาวนาวัตรถ้าไม่อย่างนั้นแล้วบารมีก็ไม่เต็มทื่อบารมีเกิดขึ้นที่ใจเพราะใจเราสร้างขึ้นทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจ ทำเชื่อเขไปบวกเชืิใจทำนีก็เป็นหนทางเข้าสู่พรนิพพานทำเชื่วก็เป็นหนทางเข้าสู่นรกถ้าถึงพระนิพพานแล้วดีทั้งหลายก็พ้นไปชั่วทั้งหลายก็พ้นไปพระดีเต็มบริบูรณ์แล้ว ไม่มีสิ่งที่จะใสอีกพูดทาดีก็ทําเพื่อเพื่อพอระพามเท่านั้นพูดทาชั่วเว่นชั่วก็เพื่อดีก็เว้นพอแล้วดีก็พอสร้างพอแล้วชั่วก็เว้นพอแล้วส่วนผู้ที่พ้นไปแล้วส่วนชั่วที่ยังไม่สัตว์ดีก็ยังไม่พอ ชั่วก็ยังละไว้พอเหตุนั่นจึงพยายามทำดีอยู่ด้วยไยต้องทำผิดให้บันเทอในการละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพพุทธเจ้าสังสายความเพียรสีอย่างเพียระวางไาให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเพียรแล้วบาปที่เกิดขึ้นแล้ว เพียนให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานเพีนยนรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมยรื่อความเพยียนลงมาเป็นสองซัเพยียนและชั่วทำดีเป็นคำสอนเพียนและชั่วเพียนทำดีเป็นคำสอนข อ, องพระพุทธเจ้าทั้งหลายเียนาลเสียงละมีู้งให้เป็นผู้ใจถึงในทางทำดี อย่างเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วจงเป็นผู้มีอิสระทางทำดีอย่างมีอิสระทางทำชั่วจงเป็นผู้เห็นชอบในทางทำดีอย่าเป็นผู้เห็นชอบในทางทำชั่วตจงอ้างความจําเป็นว่าจะได้ทำดี อ้างความจําเป็นว่าจะได้ละความชั่วอย่าอ้างความจําเป็นว่าจะได้ทําชั่วจะได้ชิ่นความดีอย่าไปอ้างอย่างนั้นจําเป็นจะได้ทําดีเสียแล้วเพราะเวลาโนยเดี๋ยวจะตายทิ้นจําเป็นจะได้ทําชั่วเพราะไม่มีสิ่งที่อาศัยอย่าไปทำอย่างนั้น ผู้เลื่อมใสครับผู้ไนดะ้ศาสนาเป็นผู้ที่บาลมีแฉก้าวมาแล้วผู้ที่ไม่เลื่อมใสก็ทรงกันข้านมากี่คนมากี่คนฮะมากี่คนมาเออมาจากไสนมาเนี้ยฮะเออที่นี่ที่นี่น ที่นี่เยอ i ๆแ i ่เดียวท่านผู้ a ดยาวมาชันได้นั่งเสือกยกม e อขึ้นหรือได้แล้วมาชุดเหาพาวาาพินเยติตานกรเวสีเสสยันโา เสี้ยวสี่สิบเอ็ดันสามสิบสามสิบสองกุมภาพันก์สามสิบองพฤษภาคมสามสิบเอ็ดวันเรียวสี่ามวันกุมภาพันธ์สามสิสองพฤษภาคมสามสิบสองวันนทร์ครวันพร์นเยอดเด็กที่เข้าศึาในนัู้้เข้าเรีนในนั้นแก็ทรงอยู่ทุกการด้วยไม่ได้เอยูููกแลลูกด้เอยู่ชื่อและชื่อและเนโลกอยู่ทุกโลกเหนือโลด้วยเมืเป็นดังน้เราทัหลายจะส้ ที่มาในที่นี้สวีที่มาจะมาในที่นี้สี ส, ร, ซซสขขร้างรายได้ก็จะระสบแต่ความสุขความเจิญในวาระภู菩萨นะฮัเนาก็สมาธิระเจ้ายิ่งยิ่งเคลนไหวิ่เฉลียถูกทุกเราเพราโดยดวย่วนอยู่ทุกเนื้อไม่เหลือนั่นเฉย ลูกของเราก็อันลูกการ์ตูนก็อันเดียวกันแต่เขาพิมมาเราไม่ได้บอกเขาเราก็นึก็อายอยู่เัมืนกันแต่ใครกราเร า, าเป็นผู้พิเศษลิสูวยกตนเพิ่มชั่งอึ่นอ่างพองตัวขึ้นชองแต่ตายคาที่ถ <c oughs> <c oughs> ูกไหม โอ้เค่ไหมทำดีอะไรอย่างนี้อไรอย่านี้เรให้เองโอ้นดมาด้วยใครใครทำมั้ เราไปเรียนพิพากษาเรื่องนี้เราเรียนตั้งแต่เรื่องการเมืองกันไปแล้วที่พิพากษาเรื่องการเมืองที่มีวันนี้พิพากษาเรื่องการศึกษาการปกครองเรื่องอะไรคะเมื่อเรื่องอะไรคะที่พิพากษาในสัตว์นิพพานโพลีวัตและที่มาเปว์นราะอาชีวะเป็นสีที่เป็นสีขาวที พรพุดธระธรามพสง์อะไรลูกเลยแล้วเรื่องเรื่องดก็ดีขอมอบกายถวายที่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่งงนวมีความายต่อ่เถ้าขอวคนควนแล้วเรื่องใด่าเกื่อดก็ดีขอเปล่ยนขาเป็นาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทรงงานบวมมีคมหต่อต่เถาขอวควันคันแล้วเลื่อดว่าเรื่อก็ดีขอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นที่พงเทวพระทรทอยู่ใต้ตานวมีคมหมาูอันนี้ว่าอะไรลูกเอ๋ยอันนน้ำหรืมัน น่ามั น, มนหายไปนี่ยสุอัธิษฐานอะ้รนี่บ่ได้ ห, ร, หรอกอัธิษฐานนี่สันเอออัธิษฐานเป็นท่าสาไทายสาธาอโห่เนี่ยละสุอันนี้บ่ได้หลวงปู่ได้เฮ็ดมาแล้วแม่เสียปะแล้วเท่าปะไหนเออเจฮ ะ, จ ะ, จะไปง่ายเนาะเส็บปวดพูก็ทษามมาสองเมือว่มีประมาม มันเลิกได้ก็เลกได้ก็ดีเพราะผูขาดจองขาดอ่านออกมันขมวาชันดูเลยสู่อันนี้ว่าได้สู่อธิษฐานสิว่าได้น้ามา้องฮดไปแล้วมันไก่แห้งเปลี่นพอใจบ่โอซันน่าด้วบวันนี้เนะไปรถไปเลือกกับภาวนาพุทธโตจังโมเป็นอันตรายนอนอยู่กับข้ามเครื่องกับภาวนาพุทธโตรับค่ากันทั้งโมทั้งโคกอยู่ข้าลั ออว่าอะไก่น <Edge> <Mobile> ักเที่ยกาบว่าได้เป็นอเมริกาขาวว่าได้เป็นไขกาบว่าได้เป็นเลือดหน้าขาวว่าได้เป็นจีนกาบว่าได้เป็นพลังเสกขาวว่าได้เป็นนี่จะทุกข์กับตายเป็นเจ้าโลกแม่บอกนี่จะทุกข์กับตายเป็นเจ้าโลกอไขขาบว่าได้เป็นเหล้าขาวว่าได้เป็นนี่จะทุกข์กับตายเป็นเจ้าโลก ท่านนายน้อยขอให้ตายท่านร้ายปฏิวัติน้อยขอให้กา ย, าายปฏิวัตริร้า ย, ายขอให้เวรเนีย่ยว่าเกิดแก้แคบใจในโลกนี้อีกเลยหม่เฮาจะมาเช็ดมปนลาบบ้างเนีันมีจะทุกข์เยอะไปไกลลกหลานเลยเท่าหายใจให้หนังหายใจพ่อโยรอดไปเป็นฤินาคี้เท่ากินเข่าให้หนังกินเขาเา่าพ่อโยรอดไปเป็นเจากับเพียงงูตัวกับคำเทา กินเขาเพื่ อ, อยหรอดไปพอนมืออืน่นมืออื่นท่องจังในกินนี่เอาสิขของกอระเทียมกูโต้กินมันได้สามเสื้อแม่นด่หกกินแต่ของดีๆแม่นด่หรามไ ม, ม่สามไม่ เกดมานี่เห็นหย่างลูกเลยมันไม่มีแนวเห็นเลยเห็นเห็นตะกอกโง่เห็นตะแก่ต ะ, กต ะ, กะเกิดตะตายพอจะเกิดมากก็ว่าสีอเอาให้มันเก่งผลไม้กับเบลปลี่ยอแปลงแปลงตายไปต้องคือกัมพัอ <c oughs> ใช่เงินมัดมือละลายาปไหนอ๋อไปตลาดมดร้ายไปไหนหจำไม่น เงินฮัทมึละสองร่อยบอเออใขรได้ดอกเแล้วไปกินเหลาเนะแล้วมาหัดกินเหล่าแล้วมาเรียนเลขเรา่ายตายเออบ้าพอเรียนตีช่ากำลังเรียนเม่ไวพอะนไปใชับนชิต ที่กลาทกางคืนที่นเนื้อสัมผัสที่เป็นเนื้อผู้เล่นที่กลางสภากาโเป็นอะไรสวยงามทีวงามกับททนวาศตาหางวัฒนธรรมอายุสุขีทีพอพ่อผว่าที่อมดเที่นีดขัดไหค กระ ไ, ไ, ไรเน้โทโทนเอไปเน้อรถเน้อภระวนาพุ้โตเน้อนอดเน้อมขึ้นพาวนารับขาา้าพระวนาพุโต่ะอืมนีน่เกิดขึ้นนีน่แปลครื่องหมายนีน่เกิดขึ้นทีไรนีน่ก็แปลตัวในที่นั่นนีน่แปละับไปในที่นั่นเองทิงะเ็อยู่ตลอดวันตลอดคืนก็เกิดขึ้นระดับไฟอย่างนั้น แล้๋ยวเราเพิ่มออกอย่างนี้เราคิดมาว่าอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นนี่สีเสียวสีแดงสีเหลืองสารพัดมันก็เกิดขึ้นเป็นผู้เป็นคนเป็นอะไรต่อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นเี่นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะั่นเอย่าคือว่าจะดับไปมันดับไว้ที่ไหนตักเพ่งที่ไหนมันก็เกิดขึ้นวันยังค่ำมันเองมันดับที่ไหนตักเพ่งไว้ที่นั่นรับที่ไหนก็เพ่งไว้ที่นั่นเกิดขึ้นตลอดไม่เป็เรื่องเก่าเป็นเรื่องใหม่แต่ทวิต แต่ว่าเรื่องเก่าค anyway. ืออะไรก็คเกิดดับ okay, น really ั่นเองจะเกิดได้อยู่ที่ไหนก็มีแต่ดับเท่านั้นมีจะเกิดเป็นอะไรมาก็ตามก็มีแต่ดับเท่านั้นเรารู้ตามเป็นจริงอย่างนี้สักเราจึงจะไม่สงสัยในเรื่องนี้ข้างหลัเข้าใจไหมทีนี้เราจึงจะไม่สงสัยในเรื่องนี้ข้างหลัมันจะแสดงจินตยาบรรยาทมาอะไรก็ตามมันก็มีแต่เกิดกับดับเท่านั้นในนิดพอาพจน์ของมันมีลงเอยอยู่ที่นั่งจกเขียนอยู่ที่นั่ง โดยขึ้นอกก็แปรปรนอีกก็แบบอี่ละเอียดก็ตามอยากก็ตามก็มีก็ตามก็คืออนิจจังอะไรดีนึงก็คือสภาละอะไรดีนึงเพราะฉนั้น็จัไม่เข้าวองมันจังว่กรรมจริงของมันลูกไม้ของมันจะมาด้วยวิธีไหนก็ตามก็มีประเพณประดับเท่านั้นีมันจะมาละเอียดและออกสักเพียงใดก็ตาม มันก็มีเศษกระดับไนะั้เศเดลยวนี้มันก็ยังตร้งอยู่มันเศษมันดับไปเนี่ยทีนี้เราเอาเ น, นี้เราพูดก็คือเรื่องเอาอาดีตมานะพูดมันเดเพราะมันเศษมันดับไปไหนเช่มเข้าใจนะที น, น, ะนี้นะเดิกมกมฐานเดิมเราเข้าไปยังไงนเมื่อราณีหายเร า, า, เ า, ามาอาศัยมานเดิมกรมานเดิมก็คือมนิเดิมนั่นเอง แค่ในนิเดนมันเองถ้าเราไปเชื่องอาจารย์เดนก็เป็นเน่าเสื้อผ้าลับมากรรมฐานเดงนับมากรรมฐานเดงเช่นเราไปเที่ยวที่ไหนเราไปกลับมาบ้านของเราอื่เราทำอยู่นะตั้งหลักจะเ่ยได้จะไปเจอไปเจออะไรก็กลับมาหาลิ้นเพาะของตนเองการเดิง สมาบ้านอาจารเดิมี่ิดเดิมก็คืออาจารย์เดิก็คือตัวศีลสมาธิปัญญาเดินแล้วก็เป็นมามาใส่นี่นิดเดิมแล้วก็ซึ่งนีิดเดิมอย่าไปซึ่งอาจารย์เดิมคือมนุเป็นตวเดียวกันลกไม้เขาก็มีสติสัมปัญญมันสติสัมปชันญะมาแด้วก็ตื่นอะไรัน มันก็มีประเกิดะดับทค่นั้นด้วยกมันมันเกิดมาละเอียดละออลีเือดลายงดงานสักเพียงอะไรก็ตามก็มีแต่เกิดประดับเค่นั้นอย่านึกอย่างนนกจะจับอันนั้นก็ถูกเหมือนกันตามความจริมันจะมาอยางละเอียดหรอประนอะไรก็ตามสวยงาอะไรสักเพียงอะไรก็ามก็มีแต่เกิดประดับแค่นั้นรัวร่วงน่ามันกมึงมาเห็นมึก็มีแต่เกิดปราดับนันแล้วมึงจะพิมพ์พรเราลองไปที่ไหก็ไปเธอผูตามความจงเละก็เดอยางนี้ ทำไมเราจึงคิดจะคิดจะน่าให้เห็นจริงว่าสิ่งทุกอย่างมันเกิดมันดับเราจะคิดจะน่าจับอันนี้มันมันก็มีจะเกิดกับดับเท่านั้นสิ่งไหนที่เกิดขึ้นให้เราเห็นสิ่งนั้นก็จะดับให้เราเห็นอะไรก็ตามแล้วจะคิดกับแก แสงมาต่อให้ไปนี่แสงเดี๋ยวกูน่อาม้โันนก็เห็นอยู่แสงแสงทุกแสงเราก็เห็นอยู่มันไม่เห็นมันตาเราไปเติมอะไรแสงแก้วเดี๋ยไม่เช่นพิจารณาเราก็เห็นอยู่แก้วมุมนี้มุมนี้มันไม่เห็นว่ามัน้าเราไปเปิดเติมอะไรหูู ต้ต า, ตา อ, อืม อ, อืมี ก, ออออ ก, กน่ยโลกันอยืดเอาละสิโที่เโม้สังโคเขาอยู่นรกันั่นจังได้บุญหลายจังโม้ไม่อันตรายไว้ได้รถได้เรือกับพาวนาพุทโธนะนั่สีรับสีนอนนอนรับข้าพาวนาพุทโธกนะันด้วยสงวนมากกับวายสามครั้งซะ พุทโธทั้งโมท่ทั้งโคเรวจะค่อยไปทำมหาเหลียงชีวิตมาจะรับิร้อนกไวสั ก, กพุทโธทั้งโมท่ทั้งโคแล้กาวก็ขอหน้าพุ ท, ธทมโธรับค่ากันผีจะมัมากไก่ยงอายุมันนื้นหมูห่อข้าวม า, านชากเล็ก น, น้อยนเนี่ยหมูห่อขาาา้าวมันากเป็นหงอนฮะแต่เขาพวกเขาก็จะตายใจให้พวกเขาเขา่ขายืมเงิน เขาจะแสดงตัวเป็นคนรวยยุกผูกเถ้เาบอกว่าหาเช่ากินเย็นมากันแสดงตัวเป็นคนรวยมาได้เขามาปล้นมาขี้ฮั่นเามาอยู่เงินมาโอเคข้างนอกขางกองโอเคข้างนอขากองไ่้อะไร่น่ไเนาะฮะ ออาา ก, รกรารว่าชีพต้องกระทาแบบตรงไปไลยต้อาไปใช่ไหมมันลบถึครัดนะลูกรลานเด้อเอยใคคิดแต่ว่าคุ้ม่าพอสองเลยก็ต้องลดหนำมนนนุ่นโดยการจืองมัน ม, มาสองสาค่ัแล้วอ้าวลผูล้มันเนี่ยยากจนถึงก็บหลายนี่ในจถาบันน้องสือหน้าไอ้สารบหางๆเขาจังมาเดือนนึ่งเขาก็มาขอ่นเดือนละสองเที่ยงเที่ยงไปต่า พรักกันเมื่อไงนุขุเนี่ยคำแรกจะตายอยู่มัชนะผลทุกนะวัดตาสงสารปัญหาเหลายมาถนะมาเกิดมาวัดตาสงสารอีกปัญหาหลายมาชนะผลทุกนะวัดตาสงสารมาเวิดหน่อยคอยตายมาัิดหลายคอยฝนด้าเกิดแเกิดายในวัตาสงสารนีก็ปปัญหาไม่น่อย ลักษณสมวัตสวันสมวัตภลมสมวัดเนิ่นานสมวัดเป็นลำหนับไปปัญหาหลายเห็นใครในบรรดาสงสาอย่างสิ้นทีเห็นทรามเห็นยิ่ง่ายพระองค์เก่าอย่างสิ้นที เป็นตัวสีนสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่เห็นไทยในวัตถาสงสารอย่างเต็มที่ก็คือเห็นสีนสมาธิปัญญาอยา่างเต็มที่ทำคำสอนของพระพเจาเบต้นสอนโล ก, กุตระตัวศิลนึกปัจฉนายอย่างตัวให้นึกซะเยวเข้าเบาวตัวมันหลง ทำไมเขาไม่ผ้ารอ้องแง่นีออนี่วนี่อ๋อนี่วนี่นีนออ อ, อ, อ, อเคเคัดนีกก่ร้องแง่อันนี้เะอผู้ขายผูขายเควื่องนเนอผาู้หลับผอรับเครื่องพันเนื้อาปัญหาเกียวับยืดแกวหน้นหาเราดูบพันเนางางาใช่เครื่อพนนาผู้รับผิดเครื่องพเนืน้อ ปัญหาเข้า ม, มาเยอะปัญหาเข้ามาหลายมุขการังปรมังทุขงังและพระเนรพลและพระานรพลในชนทุกแนววัดะนสงสามผู้รับก็บเพื่อพระเนรพลผู้ให้ก็เพื่อพระเนพปัญหาจ า, า, ากสองฝ่ายก็มามีมากปัญหาจา้สองฝ่ายก็้มามีมาก อาหารก็คือแบบเพินในวัดเจ้าสงสารนั่นเองอือหือโอเคแล้วนะไปดูจมูกโคจมูกโคอ๋อจมูกโค ข้าสบายทีตัววัอาวุธวดัดนับตสินหาไปวัดอาวุธเวัดอาวุธเรียไพ่สอนใจาสอนมนสมบัติสอนสวรรค์สมบัติสอนพุ่มสมบัติสอนนิพพานสมบัติไปได้ตัวด้วยพัฒนามนุษยวสบัติพัฒนามนุษยสบัติพั ฒ, น า, พฒนาสวรรค์มบั เวทพัฒนามนสมบัติสวรรสมบัติท่มสมบัติในพ่านสมบัติพัฒนาวัตถุนิยมแล้วดงขจไปในตัวด้วยคำสอนในพพิจารณคสอนใดในใ่โกทาตเป็นองขึ้นคาสอนคศ า, ตาสตร์คณนะบทการจัดพนไมายจดหมูกจพ์ผักพจพวกน้อย ม, มองรูคาสอนในคุตตศาสตระมันก็ไปไม่รอด พระพุทธาสนาสอนไม้ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปปกคล้องกันอยู่ได้แม่ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปก็ปกครองกันอยู่ไม่ได้ทําให้โลกบาลคุ้มคลองโลกสองอย่างแม้ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปเท่านั้นนีจะคุ้มคลองโลกได้ถ้าไมมีอยังละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปแล้กดอะไรอะไรก็ตั้งมาอยู่เลยอย่าง ถ้าไม่ได้สบายไม่กลัวสบามันก็ไปร่วงแล้วก็ทิ้งหน้าถ้าชาวร่องมีทิ้งหนวอลเลย์บอลนับแต่อายุเจ็ดปีคนาไปเสียชีวิตคิดมนุษย์ที่เกิดมาคอจะกว่ายเป็ทหารก็ว่ามีตำรวจก็ว่ามีโถ่ก็ว่ามี ก, กุญแจก็ว่าตังค์ขายของก็ไม่ต้องเฝ้าเรือนจมก็ไม่ต้องี โทตรุนก็ไม่ใช่อะไรขะพิจิตรเลยหรอกคดีดำคดีแรงในโรงในศาลก็ไม่ใชาติโลกอดีตบางคนข้าศน์ในพระพิจิตรข้าศน์ในพระพิจ้ตรเป็นน้ชาพบข้องโลกแล้วมีสาตมนุษย์สมัครสวรรค์สมัครทุ่นสมานนิานัดรด้วยชาติโลกโกงกันครับ มันไปเอามนุษย์ดบวัดคลมาปฏิบัติสร้าโลกเป็นส่วนมากมีมนุษย์ดิวัดคยอคืออบบยมุขสุภเพศมนุษย์สิบไม่เหล่ากษัตริย์ไม่วัดกับพมมีวัดใน่ผ่านไม่วัดคืออะไเว้อใบยมุขสุภเพศมนุษย์สมัติกษัตร์สมัตินสมัติไ่านสมัตในตัวเลยนั่ น, น, น, น, นพระสุริเจ้าองค์ได้ได้มากก็ต่างมากมาเป็นยุกยุก็มีพรบอันเดียวกัน เรารสบัญญัตกันเดียวกันไม่ได้ขัดข้ามกันเลยเมื่อกี้ลัลลรารามพระองค์คือกันมาสอนอันเดียวก็ไม่ได้คัดข้ามพ่อระรบอกกันบอกคือกฎหมายคนยูคนก็พักกัด พ, กพวกข้าวโลกหอลอก่อแต้งเลยมันก็ถือเดียวก็สิทธิแดงอย่างรถซาเทลรถซาทางเป็นผู้สอนของเทวนานแล้นองอะไรพระพุทธเจ้าสอนวันรถทางหลายเต็มผูมว่าให้ว่พระ มโหไหพระคือการบ้านการเมื อ, องใช่ไหนเป็นยังไงมัหสถวสอนบัดสอนเมืองสอนไผสอนผีส่วนใดสังเวงมนุษสมบัติสอนสมัติพมสมบัตินิพนสมบัติสอนหมดพระพุทธเจ้าเคยประสบการมาแล้วพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ประสบการมาแล้วเหตุนั่นข้าสอนจึงตรงกันนักปกข้องโลกสู่ bizarre, พระพุทธเจ้าว่าอะไนักพบข้องถ้ำมาสู่พระพุทธเจ้าว่าอะ นักค้าขายกระสูพระพุทธเจ้าอะไระสบกันมาเมด่อเฒ่าให้เต่าหน้าเต่าหัวเต่าสวนคนสน้นทุกข์้นสนก็จะเป็นเมดจึงได้มีค้าสอนมาสอนหม่เฮาตรงกันเลยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาเป็นยกยกกุฏิล้านพระองค์ก็เป็นข้าสอนอันเดียวกันเมื่อจงพระนาวย์ศาสนาเจ้าอนุสรณ์นางเวสุวร ข, ของเจวายอ ง, องนุชงามเต็มภูมิแล้วพระพุทธเจ้า ของขับยนต์เช่นอะไรพระนิพนธ์เนอะรพระทาสนาเช่นอะไรภาษาศิลป์ศิลป์เช่สิตต้นวารีน์ั้นต้นต้นตาต้นเท่าหาวิาัารศึกานการมหาวิทาลัการาไม่ได้ยากกาบไม่าบได้เรงความง่เมื่อเขียนชุดจะเป็นสีร่างก็ชุดไปในทางที่เหนือโดยในรูปตัวทำง่ายทังสองอะไก็เป็นยง้นทสองวิทยาศาส์ดในรูตัวทง่ายรูอีกจะนอีกไม่ขึ้นอกคู่ ดูแลไมี่มาขึอยู่ับเพื่อนแลวเพื่อนเพื่บในทางนิดถึงนากน้องคลองมีบางางๆยว้ตรงสูงมหาสมุทรนะเลเราเนี่ยรู้ตัวข้ในความชอนได้ดงก็ได้ตรงสูความช้อนที่ผากเราเนี่รู้ตัว้างนั้นไม่พูดอีกจรงอีกไม่ไม่ขึ้นอยูู่รูแล้วไไม่ขึ้นอยู่พื่อ้งื่อนกัจริอยู่นมืออคแรงมิที่หาทางกลพันเจอเจนิดน้ำจริงจริงชื่ห่านาดในพุทธบริษัทนี่ยะอาเลยรอบุตติด สอนหัวเขาเนี่ยพระพุทธเช้าก็สอนเมืยย่ำยลางครับถือวเป็นภรรยาด้วยในดวงเห็นด้วยมาพุดร่ยมใจด้วยมาขอจะเป็นไหนให้ดูให้ชั่วเปลนตัวสอนพันสอนภรรยายนึงจะการงานดีส อ, ส อ, องคนสราเชียงกหัวดีสามมาพูดธโยมไปหัวสี่รักษาครับที่สัวหามาได้ไว้าห้าไม่ขยาไม่เสียข้าไ ม, ม่ิการทั้งดวงพร้าสอนนี่ตัง้งแต่เนือวอนนีกระดูกเออ สันพ่อสอนม่พ่อแม่เรื่องลูกว่าหนึ่งถ้าแมระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปศาวิทยาสี่หาภรรยาและสามีที่สงควรให้หาา้ามอบทรัพย์ให้ในใจพ่อแมส่วนลกท่านหนึ่งถ้าไดนเรื่องมาแม่เรืร่งองสสทา่านก่อนสองทำิตศรัของท่าน ท่นดำร ง, งวงตะกูลคือกระเพือคนท่าคนกลคนกระซับนอแล้ะดอกมห้าเมื่อท่านลงรับไปแล้วทำบุญที่พรท่านเพราะเขเจะสอนสอนวัดแล่วาดสอนวันี่สอนพรวราวนั่นสอนทุกท่านทุกคนต้อง บ, บวชบ ว, บวชแล้วสอนเลยสอนน่ายหน่ายผู้เป็นหน่ายจ้าง หนึ่งจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังสองด้วยให้อาหารในรางวัลสามด้วยพยาบาลในเวลาเ็๊ไข่สด้วยแก่ของในรับแจกกระลาให้กิน 5. ้าด้วยปล่อยในสมัยวันพิษวันเสาร์วันขราบหนี่วันพักเที่ยงเรื่องอ ง, ง่ายคนเบาค่ ะ, นนนคะหนึ่งลุกขึ้นทำการงานก่อนนาย สองเลิกการงานตีหลังนายสามเอาถือเอาแต่ของสีนายให้ไม่รักจอบรักเฉียตไปเลยตีทำกาจงานให้ดีขึ้นไม่เห็นเจีมักง่ายถ้านำคุณของนาเจริญเสือมในที่นั้นเริไปบ่อสองวาวกำน่ายตัประพฤติกันนี้สี่เราการทะเลาะว่งกันก็ว่าเพราะคำหยาบคดกันล็การทะเลาะวิ่งกันก็ว่าไง <c oughs> ส่วนสอผ่าส่วนเน้นคนนไปเลิกไปขนาดอีกแบบนี้เรามีเพศต่างจากตีนหักแล้วอาการทีริยาใะไรของสมณะเราต้องทาอาการทีริยนนั้นนั้นสำหความเยี่ยงชีวิตของเราเนก็คือเราคนรทำตัวให้เขาอย่างง่ายสหอาการการวายการอย่างอื่นที่เราจะต้องทาให้ดีขึ้นไปส่วนนอีกไให้เพียงแบบนี้มีตัวเราเยียงทีวตรียมตัวเราเียนโดยสินได้ไหมถ้าพูดค่ควงแล้วตีนหเราดสินี้ม้วยโอ้เราจะต้องพักผ่าจากของของทใส่งนั้น เดี๋ยวเราทำเป็นของครอบคัวเราทำเงินกับแม่ดีในทางช่วยอในชั่วแต่บาคืนเเื่องไลกไฟแบบนี้เราทาอะไรดีเจ้าเราเราเยนดีในที่สงับหรือไม่คิด้องคุณพิเศษของเรามันอยู่ใ้ที่จะทาให้เราเป็นผู้ไมเป็นผู้มเยสื่ในลาเพื่อนบ้นคิดสามในการฝหลังเนี่ยอนซะสอนเนี่แบบสอนเรืองอะไรกันเพราะอาศัยเขาเขากินเนี่ยนัันอันไหนอาศมาสอนดีบพระเจ้าเขามี่เรนี่สอนให้ดวนนั่นเนี่ยเธอท่างหลายอย่าไว้ใจในสงสารเนอ ไ่ไหม้สักเธออยู่พรุ่ง น, นี้สักเธอจึงจะดับมันจะสูกไหมสอนเตือนเขาเป่าเพลงกขาจะวัดเ้านดถูกผู้ใดนอนใจในะวัดจ้าสงสารนั้นก็คือนอนหลุมผ่านเธอมันเองเสียมสอกสะได้ บ, าบัานให้ว่าวันไหนกับพิษเขาแว่พิษเขา่เขย่ ส, สอนผ่านอนหยากนอนง่งกัเป็นง่วนี้น อ, อนเทวดาเป็นง่วงนืม อันไอนพระพุทธเจ้าว่าสอนว่าอะไรงนี่ยหมอสั่เทาสิปฏิบัติเท่าสิว่าปฏิบัติได้สั่งใครสิพูดดีพูดเด่นกันเลยพูดจนน้าไหลไฟดับตะเพียงเลยก็ตามก็เป็นคาสอนใ้ศาสตร์อย่างนั้นเองเฉพาะท่านสอนหมดแน่านมาเด็กไฟอะไรอย่างนี้โอ้ยอ่ะเด็กไฟอะไรสให้ข้นวันเออมันมันใจเนาะมันใจเนาะ เออต้องมะไยหควันเออวันกนี่าวนฝอกเ่วันไปก็ย่นี้ากนหายวอกนี่านเียาววนที่ว่าหาปน้รีนี่สลนีีตังสมหที่ัดจะแ่ผู้เนี่างกป่าจะรมาโทรจะถามวันีโทระโทาถ้าที่ที่วันนี้จะไปสกุลว่าไตที่าร โลสติสติการิโพเขาอภิาสนาสติรู้สานิจังประชาปัญญาจารุ่งธรรมะชันสิอายุวนเนรสิกา่งลดยเด้นพระพุติศาสสนะจงไปดีย่าห่านี่อันตรายใดๆทั้งสิ้นไปงั้นเนี่ยพวกนี้ทิไปจะนี่บอออันนี้ก็ะสือกันเนี่ยจงไปดีย่าห่าีอันตรายใดๆั้งสิ้นอ๋อนักขานว่าตัวก็สาบถวายแล้วเดี๋ยวคนสุดโต่งก็ อ๋อ้ะฮะอ๋อ่ตัวเสมอโออการเงินไใช่หอ๋อถ้าว่าซูกว่าลูกว่าหลานหนึ่งก็ได้ออกวองยาวถาท่านทั้งหลายหนึ่งออกเปลีนใจกันหนึ่งคนทั้งหลายเปลี่ยนใจออกูนเป็นตัวเองจับว่ไ ความดีความชื่อใครสร้างขึ้นความดีเาัปะเใจเป็นผู้มีอิสระทางทำดีทำชั่วตาหูจมูกเลื่นกายมันมีอิสระคนอื่นก็มีอิสระจะทำดีทงชั่วให้เราเป็นแต่เพียงที้บอกเท่านั้นเอง ม่วงนอนก็นอนเองกระหายน้ำก็ดื่มเอง <c oughs> นึกอาหารก็ทานเองผู้อื่นจะเพียงช่อบอกเท่านั้นทำานี้รทำชั่วก็พ ร, ระสามาทัพอุตตเจ้าบอกจะทำแทนก็ไม่ได้แล้วแหลไปบอกม้อนเหมหไปสินี่คนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษได้อย่างนี้ยกไปบอกมา จรเป็นคําสอนพระพุทธศาสนาเนื้อโลกทั้งปวงเลยมีทั้งมนุษย์สมบัติไม่มีทั้งสวรรค์สมบัติไม่ีทั้งคมสมบัติไม่ีทั้งได้ฟานสมบัติด้วยการค้าขายพระพุทธศาสนาก็สอนค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสับเป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าผู้เป็นอาหารค้าขายยานําเมาค้าขายยาพิษการค้าขายหายนี้ ขาวโลกไม่ควรประกอบเน้อพระบรมศาสนามวิธีปกครองโลกความละอายตบบาปความกลัวตบบาปเท่านั้นแต่บัญญัติบาปบุญให้ถูกถ้าบัญญัติบาปบุญไม่ถูกก็ใช่ไม่ได้เอีกเหมือนกันเพราะพุทธศาสนาบัญญัติบาปบุญถูกความละอายตบบาปความกลัวตบบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าโลกมีศีลห้าบริบูรณ์สงครามก็ไม่มีพระบรมศาสีา พระพุทธศาสนาสอนให้ปลดสงครามเลยไม่ให้มีให้มีแต่เครื่องก่อสร้างนั่นนีแต่เครื่องก่อสร้างพระพุทธศาสนาสอนว่าความดีความเชื่อไม่ใช่พระูุ้ทธเจ้าสร้างขึ้นพระพุทธเจ้าใจของแต่ละคนสร้างขึ้น กูดหรือแ d ด o รือฮาร์ดมินส์อัลไซกอร์หรือดัตแมจงเป็นผู้มีอิสระทําดีทํานี้ก็เป็นที่พึ่งของใจทําชั่วก็เป็นที่พึ่งของใจอันไม่ดีใจเท่านั้นจะทําคุณให้เกิดขึ้นแก่ใ จ, ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทําคุณให้แก่ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทําโทษให้ใจจะดูดีจะดูดีฟรีเลย not do bad free l y good thing is เอเดอไม่ตงดิฟเต์ต้อดิฟตอนเข้าใจนะเข้าใจเออจงทาจิตให้บันเทิง